ขอหน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมสมขอการขนสม์และแหนักปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับอันนี้ก็อ่านษาก็ผ่รนษามาหลายเดือนอีกไม่ ก, กี่วันแล้วผ่นานาก็ สมาชิกปัตปาสุขโตทุกทุกคนทุกทุกูก ก, ก็จะได้อยู่เป็นกันแหนเป็นกาลยานามิตรซึ่งกันและกันไม่ได้มีปัญหา้าเลาบอกแบนทีอะไรกันเป็นความสุขอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าเป็นผสมก็ดีอยากโยมอยู่ประจำก็ดีหรือว่าอยากโยมมาช่วงวัมพระพักที่วัดทุกๆกลองก็มีพัฒนาที่ดีต่อซึ่งกันและกัน ก้อนนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบที่ดีนะครับเป็นสังคมทันโลกก็มีอะไรนิดหน่อยก็จะทะเลาะ ก, กันหรือว่าไม่ชอบกันไม่ถูกใจกันแล้วก็เขี่ยเขียขยครางไม่ว่าเป็น นะครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ตามหรือว่าที่ทำกามเป็นเจ้านะที่อยู่ด้วยกันได้ยิงว่ามีอะไรไม่ถูกใจกันมันทุกข์ก็มีมากมายก็แต่ก่อนนี้ก็อ่อนนี้ก็คนญี่ปุ่นก็มาเรื่อยๆนะ กวางคนก็มาดูแล้วก็ประทับใจกันมากผู้หญิงที่เคยมาเป็นคนที่ทำการที่อ้นจาราองค์ผู้เต่าของแกอยู่ด้วยกัน แล้วก็ชาหนาที่ก็ช่วยดูแลแล้วเขาก็มาอยู่สุกัดโตสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่แล้วก็เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าฉันก็แปลกใจมากจริงๆก็เขาก็บอกว่าที่ ทำกนนารหอนจาลาที่ญี่ปุ่นนั่งก็แม้นิดเดียวก็ก็ทะเลาะกันของแกมัน อ, อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้สุขกันแล้วก็ยิ้มมากยิ้มมีคนมากก็ยิ้งทะเลาะกันมากมาย ก็เราก็เราไใ ฟ, ฟันแต่ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็อคอ ม, มพูวเตาอา์อใหญ่แม่ใหญ่เนียนะ่ยมาหลายคนแต่ว่าอยู่เป็นสุขกันได้แล้วก็รู้สึกว่ามีคนที่มาร่วมกันบางทีมีวันพระก็มาอยู่ด้วยกันหลายคนก็ยิ่ง ม, มีความสุขกันเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ด้วยกันเป็นสุขเห็นแล้วก็เขาก็แปลกใจแต่ของเขาคิดว่าถ้าคงแก่มากขึ้นยิ่งแย่ยิ่งทะละกันมากขึ้นแต่ว่ามาอยู่ที่นี้ก็มีความสุขมากขึ้นอยู่ด้วยกันได้แ ส, สดงว่าเขาก็ได้รู้ว่าไม่ใช่อยู่ ยิ่งคมมากขึ้นยิ่งทะละมีความวอกแววนไห่มากขึ้นกับแต่คงอยู่ด้วยกันมีมากขึ้นสนทเท่ามีความสุขกันสนเท่าก็ได้ก็เป็นรูปแบบที่ดีนะเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันแล้วก็ เอาใจใส่ตัวพึ่งวันนั้นก็พอดีให้เขาก็อยากรู้ความคิดเห็นของผู้เต่าอยู่ที่บ้านชาวบ้านที่นี่ก็เลยเขาก็พอดีวันพระก็ให้มาร่วมกันก็ถามคำถามหลายอย่าง ก็เขาก็ประดับใจนะว่ า, าพวกคนที่มาอยู่วัดเขาก็พูดถึงพูดถึงว่าให้ของเอิมมีความสุข สิ่งที่สิ่งที่คุยกันจะคิดอยา่าที่คิดอะไรก็ว่าให้คนที่คุยกันด้วยกันก็ให้มีความสุขด้วยวาด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจตันนี้ก็สิ่งที่อยู่ด้วยกัน ให้มีความสุขอยู่ด้วยกันนี่มีสำคัญมากถ้าเราแหงแกตัวคิดแต่ตัวเองให้มีมากขึ้นให้สบายขึ้นอย่างเดียวอันนี้ก็มันก็ไม่พอใจอะไรกังวลพืนก็มีความทุกข์ได้แต่ว่า ก็คิดถึงความคิดแหงของเพืออ่องว่ายังไงรู้สึกยังไงแล้วก็พยายามที่จะให้ให้ความ อ, อ, อบพนใจก็ดีให้ความช่วยเหลือางานความช่วยาช่วยเหลือก็ดี ก็ืนคิดถึงพื้นก่อนนี่ก็เป็นแกด ร, รับของความสุขอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าเป็นเมตตาการนาก็ได้แต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็ออดีเนะี่ยาทำเป็นประจำเพราะว่ามาอยู่สึกกะโตก็ได้ศึกษา ปฏิบัติธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าเป็นประจำกขามานมเข้ามาใส่ตัวก็จิตใจก็เต็มไปด้วยกับคำสองของพระพุทธเจ้าก็เลยมันก็เป็นธรรมดาธรรมดานะไม่ได้เป็นพิเศษก็เลยมันของที่มาจากด้านโนบก็มาแล้วก็ก็ประตับใจ แล้วก็เขาก็คิดว่าจะพยายามที่จะังทัวฉังเองก็กกลับไปทำงานก็เฉยของแก่ที่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขให้มากขึ้นก็มีกำลังใจมีทาน เ, เขาจ่ายานที่ถูกต้น เขาก็คิดว่าต่อไปจะให้คนเจรจาที่เขาทํางานให้องแกมีมากมีความสุขมากเพิ่มมากขึ้นเขาก่อนที่จะมาที่นี่ mm hmm. มาใหม่ๆเข า, า, า, า, า, า, าว่าดา่าด่าคนที่คนที่ของแกที่ทํางานเขาตะลกกันมากๆา ก, ากเขาว่าว่ า, วาดาอยอันเดียว แต่ว่าตอนที่จะกลับนี่เขาก็บอกว่าเออชันงก็เป็นคนที่สำคัญก็ฉันทำทำตัวให้มีเมตตาการุณาอยู่ในใจของฉันงเ็งก่อนจะได้ให้ออที่ทำกงานคนที่อยู่ที่นั่งก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นได้ เ่าก็ออกอย่างนั้ น, น, นก็ดีก็เป็นรูปแบบที่ดีที่เป็นสมาชิกมัตตาสกตโตให้เผยแพรธรรม ะ, ะของทันชาได้แล้วก็แต่ก่อนนี้ก็ มีคมเป็นหน่งสาวนะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นนักศึกษาก็มานะม า, มาเรื่อยปัจจุบันนี้ก็นักศึกษามาก็น้อยล่อนแต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็นักศึกษามากันพะอะไล่พอสมัยนั้นก็ไม่ก็มีคนสนใจปฏิบัติธรรม คนไทยที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปัสกาโตก็น้อยมากแต่ว่าตัว น, นี้ก็มีคนสนใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเลยขยายวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ครูบาอาจารย์ที่มีจำนานสอนหนังสือสอมธรรม แล้วก็ปฏิบัติพัฒนาวัตก็มาอยู่สุขตอก็เลยสุขตอมีเจริญมากขึ้นใครมาจุดมุ่งหมายอะไรก็มาแล้วก็ได้อประทับใจแล้วก็ได้ผมมากในสมัยก่อนนี่ก็ไม่ก้อย เป็นปัฒนาวัดเท่าไหร่เป็นสถานที่เป็นสนาสนะนี่ก็มม่พอสมควรก็เลยมันก็นักกษาญี่ปุ่นก็มาก็เขาสนใจก็ อ, อยากจะ อ, อยู่ที่บ้านของชาวบ้านนะเป็นโฮมสเตย์อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบวันก็ามาเป็นกลุ่มสิบกว่าคนแล้วก็ตามมาก็แจกจ่ายให้อยู่บางของจคของก็เป็นบ้านไมบ้านวังเค บ้านท่าทางเคียนเคยอาตมาก็เคยจําเปิงสาที่ท่าทางแข่งบ้านเลยโดยจากชาวบ้านที่นั่นก็ทำออไฟหวานก็เคยให้พักที่บ้านแม่เพียงเนี่ยก็หลายครั้งละหลายคนก็นแม่กาแม่อาแม่เมียแม่สุดก็ช่วยดูแลอาญิพนที่เป็นนักษา ให้อยู่เป็นมันได้เรียนรู้มากนะครับเพคนหลายคนก็ประตับใจมากที่สุดนี่ก็ก็อยู่กับชาวบ้านก็มีความอบอุญใจชาวบ้า น, นก่าวใจใส่แม้ว่าอ่าใช้ภาษาไทยภาษาอีสานก็ไม่ได้ แต่ว่าใช้ภาษาใบ้ก็อ่าพอจะสู่กันได้แล้วก็ได้รับอ่าเล่งนงับเด็กๆ ส, สนานก็มันก็กินก้าวทางนะทางก้าด้วยกันก็ดีสนุก แต่วันหนึ่งก็มีคนมันเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มวันแรกๆก็อยู่ที่าสุกโตแล้วก็ประชุมกันหลายคนก็คิดว่าจะเป็นพวนเป็นทุกขอะไรก็มาถามธรรมาธรรมาก็จะกแก้ปัญหาตอบไปบ้าน แต่น้นงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเดินนักษาเขาก็บอกว่า ฉ, ฉันไม่มีทุกข์ใจเลยลายคนก็ว่าทุกแต่ฉันไม่เคยทุกข์จริงๆเขาก็่าวางั้นแล้วก็วันสองวันก็วันที่สองก็ให้แจกใจกันบ้าน ให้ระ บ, บ้านให้พักที่บ้านชาวบ้าน 3-4 วันออโปรแกรมก็เจ็ดวันบ้านแต่ว่าสาวันก็คนที่ว่าไม่มีทุกข์นั่นแหละเขาก็มาหาผมที่กุฏิกับชาวบ้านเป็นเด็กเป็นนักนักเรียนมาด้วยกัน ก็ก็ก็มันอยากคุยกับผมผมแต่ว่ายังไม่ค่อยได้พูดนะแล้วผมก็ถามว่าเป็นอะไรนะมามันเป็นสบายดีไหมมันดีไหมก็ถามแล้วเขาก็ตอบว่าอ้อชาวบ้านก็ใจดีมากช่วยฉันมาก แล้วก็บอกว่าอย่างงั้นแต่ว่าดูหน้าตาวันนี้ก็ปฏิที่บ้านบางเขนวันบางเขนพวก เ, เขาก็บอกว่าออ ก, าก็ดีเราวางเขาดูแลเอาใจใส่แต่ว่าหน้าตาก็ไม่ก้อยได้ มีความสุขก็เลยถามไปเรื่อยๆก็ อ, อะไรจะเต่งอะไรกันวันสไตนี้เขาเขาบอกบอกว่าเออเจ้าจบ้างก็เอา ม, ามา่าม่าให้กิน ไม่ได้ให้ฉันอาหารอีสานด้วยกันกับครอบครัวที่พักแล้วก็ไปไปไล่นะไปไร่นะ ไ, ป ไ, รไปนาไปด้วย ก, กันกับชาวบ้านอเขาก็บอกว่าเออคุณคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องทำงานมาพักเอยตายต้นไม้แล้ก็ อ่าบอดได้ก็เลยเขาก็รู้สึกว่าอยากทำงานด้วยกันอยากช่วยก็อยากให้เป็นลูกสาวจริงๆริงตอนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่บ้านจะ บ, บ้านนะแต่ว่าไม่ให้ทำงานด้วยกันก็เลย รู้สึกว่าไม่สบายใจอ้าวนี่แหละก็บอกก็บอกว่าชี้ให้เขา้าเข้าใจว่านี่เกินทุกข์ <c oughs> เขาก็มองเห็นแต่เจ้าบ้านช่วยเหลือช่วยดีเอาใจใสนะ่แต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูตัวจาย์อบายแต่ดูจิตของตัวเองว่าทุกข์จริงๆ แต่ว่าคุยกันคุยมากเา็เขาก็สุดท้ายนี้ก็เข้าใจามันทุกข์ตอนแรกเล่เาก็บอกว่ า, ามาที่นี่แล้วก็ไม่มีทุกข์เลยฉันไม่มีทุกข์เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มันมีทุกข์จริงๆก็เลยพอดีมีนักเรียน ที่บ้านที่พักชาวบ้านที่วังแค่นี้ก็ม า, กมาด้วยก็เลยก็บอก็บอกให้อ บ, บอกว่ า, าช่วยช่วให้ต่างก้าด้วยกันต่างก้าวไม่ต้องพิเศษแต่ว่ากินไม่กินมากกินเผ็ดมากๆกก็อาจจะไม่ ไม่ไหวก็เลยให้กินเป็ดน้อยแต่ว่าไม่ต้องเอาเตรียมมาม่ากินได้นี่ก็จริงนะจริ ง, งเจ้าบ้านกา็มีความเอาใจใส่ดีก็จริงแต่ว่าไม่ตรงกับความยาของเขาแอนแล้วก็ให้ ไปทำงานก็ให้ทำให้คนนี้ทำงานด้วยกันก็แนะนำแล้วก็เออกลุกษาคนชาบ้านนี่นักเรียนเขาก็เอเอเข้าใจนะไม่มีปัญหาจต่อไปก็ทำอย่างนั้น ก็ดีใจด้วย ก, ก็เข้าใจะ ต, ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเอทําไมอยู่ที่บ้านเราไอ้ี่พึ่งคนนักศึกษาเขาไม่ไม่ก็ ไ, ได้เห็นความสดดีแต่ว่าคนนี้เขาเ้าใจเขาก็เป็นอย่างนั้นก็อยากจะเป็นเป็นเป็นลูกสาวอยู่ด้วยกันก็เลยทําอย่างนั้น ต่อไปก็เขาก็ดิเออตอนที่กลับมาก็มีความสึกมากเย็นยิ่งตอนขับจากบ้านเราก็ก็นองให้กันไม่อยากจะลาจากชาวบ้าน อ, อ, อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ มันก็เราก็ยันรู้ก็ทุกความทุกสาเหตุความทุกข์มันก็กนละอย่างกันคนนี้คนที่พูดถึงสกษาเขาก็ไม่ได้แห่งความทุกข์ แต่ว่าได้แหงความทุกข์แล้วก็อ่าก็สายเหตุก็รู้ก็เลยมันก็เกยไก่ได้อันนี้ก็ผมมันพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เผถึงอริยสัจสีจริงๆนะอริยสัจสีก็แรกๆรกก็เป็นทุกข์ขันทุกข์กัน อันนี้ก็ถ้าเราไม่ประสบกับทุกข์ก็ลริ่มแก้ทุกข์ก็ไม่ได้หมดทุกข์ก็ไม่ได้ขอทุกข์ก็เห็นเออทุกข์ไปเรื่อยๆมันก็เป็นทุกข์เลยมันก็ตอนแรกๆก็ให้เห็นทุกข์ แยกแยะแยกยายแยกแยะงับเป็นทุกข์วามที่เป็นทุกข์นี่ก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเห็นทุกข์ก็จะเริ่มจะเดินทางแก้ทุกข์ได้แต่ว่าบางคนก็เข้าใจผิดพุทธศาสนาก็เพืดถึง ความทุกข์ก็ชีวิตก็เป็นทุกข์จบพภิธศาสนาก็พืดถึงแก้ทุกข์อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ศาสนาก็ไม่ใช่ทุกข์แล้วก็จบทุกข์ก็มันจุดจุดเริ่มต้นแล้วก็ จุดมื่งหมายก็หมดทุกหมดทุกมีอยู่ไก่ก็หมดทุกได้พระ เ, ะเจ้ารับรองแต่ว่าอย่างไงก็ให้รูมต้องจากความทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ อันนี้ก็เอ่ออยากเข้าเจ็บปิดว่าอา่าทุกนี้เป็นสาเหตุนะไม่ใช่ทุกนี้เป็นสาเหตุสาเหตุของความทุกข์กับอา่าทุกนี้มันคนละอย่างกันทุกเป็นผลสาเหตุมีอยู่ เลยมันก็เราก็มัดบางของก็มันก็ทุกข์แล้วก็อยากจะแค่ทุกข์ก็าจะมันไม่ตรงกันกับแค่ทุกข์ได้เหมือนกับว่ามันก็ร่างกายร้อนเพราะว่ามันก็มีไข้เป็นวาด ก็เลยมันก็มันก็ไม่รู้ก็เลยเอาถั่วร้อนก็เลยเอาน้ำเข็นามาสาดอาบน้ำเข็นเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าถ้าเป็นทำอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้หนักได้ าสาเหตุนี่ไม่จะเป็นสาเหตุก็เลยมันก็มันย่งไม่ต้นย่งกับความทุกข์ความทุกข์ก็แก้ให้รู้ให้เห็นแล้วก็เราเข้าใจว่าเออมีสาเหตุอยู่ความร้อนใจ อ, รอารมณ์ร้อนต่างกายเพราะว่ามันมีอ่า ความหน่ยลาแล้วก็มันก็บันทีก็มีชัวโรคก็เลยกินยาบ้านหรือ่ให้ปักพรดีๆจะรักษาให้ถูกต้นจะได้แก้ไขมันไขมันลดลง แผ่นไ้เป็นความร้อนทางกายนี้ก็เป็นอาการเรารู้จาั ก, กาสาเหตุนี้จะแก้ไขแล้วก็อ า, อาการแผ่นไ้มีตัวร้อนนี้ก็ให้ลดลงได้ก็เป็นปกติก็เป็น นีโลภความดับทุกข์แล้วก็สาเหตุทางมาคมเป็นอะไก็มีก็ทุกข์ก็แก้ไขได้ทุกคนทุกคนถ้าเราไม่ปิดผ้าที่จะ แก้ไขเป็นวิธีมันปิดผาดมันก็จะแก้ไขไม่ได้รักษาไม่ได้อ่างไก่ก็ตามทางจิตก็ตามที่สำคัญที่สาคัญนี้ก็มันเป็นยึดยึดมั่นถือมั่นมันสาเหตุถ้าเป็นขังห่าขังแหก็เป็นธรรมชาติ แรงตนาสัญญาสังกรรมบิญยญันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็ก็มันก็อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอุปทานขันธ์ห้าแล้วก็ก็ทุกทันทีมันเป็นคนลรย้ยางมันธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติถ้าปท า, านทันทีมันรุ่ ม, มร๋มเผอ นี่ก็อันห้าก็เป็นมันทุกได้ก็เลยเราก็อาละวางก็ไม่ยึดมั่นเถื่อมั่น จะได้แก่ไก่ได้กติปฏิบัติทำเมื่อกี้ก็ก็สวด <c oughs> สัมมาวายาโมสัมมาสตินี่ก็สัมกามาจริงๆความตั้งใจให้ดีขึ้นให้สิ่งที่ไม่ดีมันลดลนแล้วให้มีสติ ากายก็ดีเวทนาจิตธรรมให้รู้สึกตัวรู้สึกแล้วก็เอาปล่อยได้ทาไมรู้ก็ติดไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งจิตมันก็ปร่นแตนให้ทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็มาปฏิบัติ ทำเจริญจิตภาวนาให้ความทุกข์เป็นหมดทุกข์เป็นจุดมุ่งหมายที่เรานักปฏิบัติที่อยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าเราก็ เป็นคนที่มีธรร ม, มะที่เป็นปฏิบัติในประจำวันชีวิตก็ก็เป็นอยู่เป็นสุขกันใน ไ, ได้อาธรบออกแวงกันอยู่เป็นความสุขแม้ว่าเป็นหลายก้นอยู่ด้วยกันก็ ก็อยู่ได้ยิ่งมีสิ่งที่ดีงามก็มากขึ้นถ้าอย่างนั้นนี่ก็มีคมมาใกลมาจัดเพื่อที่เป็นประเทศมาจ้าไหนนี่ก็ก็เป็นรูปแบบที่ดีนะโดยเราไม่ไม่ต้องทำพิเศษ ก็ทำเป็นประจำอยู่เขาดูแล้วก็รู้สิ่งที่ดีงามได้รับรู้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเผยแผ่ธรรมะสิ่งที่ดีงามจากเราเอาไปกลับที่คุณเทพก็ดีกลับที่ญี่ปุ่นกลับฝ้า่ันจีนอะไรที่ไหน ก็เขาก็สินทิ่ดีรงามก็แจกจ่ายกันให้อยู่ด้วยกันให้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับพะพอดีวันที่2 0ถึง23มีกลุ่มนักษา18คนอาจารย์2คน เห็นะจาญิปุนทรรมกุีิสิบมาปฏิบัติธรร ม, ก ล, ม, มกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่ได้พักที่บ้านชาวบ้านแตอ่พักที่วัดาวัสสุกโตแล้วก็เขาก็สนใจธรรมะสนใจกานปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเราก็เป็นอ่ปฏิบัติตี เป็นรูปแบบที่ดีของอคนที่มาให้เห็นความดีงามเขาค็จะประทับใจได้มีความสุขความมั่ปุนใจความรู้เอาไปขับไปที่บ้างก็แจกแจ ก, แกจาย นนอยู่ด้วยกันครอบครัวพอ่พ อ, พอแม่แลก็นักษาด้วยกันนะครับตายนี้ก็ขอให้มีความสุขเจริญด้วยอายุอันสุขภัตระปฏิบัติปฏิบัติชอบได้ถึงมรรคพนิพานทุกทกคนเตน